ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกันมาเกือบยี่สิบปีแล้วถึงแกนานเท่าไรก็ไม่เป็นของสำคัญก็นึกเสียว่าพระพุทธเจ้าสร้างบารรมีมานึกเฉยๆก็นานแสนนานนับเป็นหลายอสรงขย แค่พระองค์ออกปากว่าจะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็สิบเจ็ดอสองไขใน้รับพยากรอีกสี่อสองไขอันนี้เรียกว่าผู้ที่พัถนาสร้างบารมีโดยปัญญาธิกะ ถ้าวิิยะที่กะก็ยิ่งจะนานเมื่อมาตัดสรูแล้วก็ได้วางศาสนาเอาไว้ห้าพันปีส่วนพระีอริยะเมตไตรนั้นอ่าทราบว่าแปดหมืนปีจะมาตัดสรูคองคารวสอยู่สี่0มื่นปีได้ตัดสรูแล้วโปรด พุทธบริษัทจุด่ 40,000 ปีรวมแล้วเป็น 80,000 ปีความมุ่งหมายที่แต่รับพระองค์พระองค์ได้สร้างโพธิสมภารก็ได้มองเห็นสภาพสัตว์โลกทั้งหลาย หากันเกิดแก่เก็บตายโดยไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะฉะนั้นพวกเราก็ได้เป็นผู้มีสติปัญญาเรียกว่าเป็นพระผูสูตรก็ได้ได้รับสดับัธรรมทั้งครูบาอาจารย์มาแสดงธรรม ทั้งฟังด้วยโดยอินเทอร์เน็ตโดยวิทยุเสียงธรรม <c oughs> ถึงจะฟังก็ยังไม่พอเพราะว่าการที่พวกเราได้จัดสถานที่ปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของแต่ละท่านละคน ให้ได้ก้าวไปในทางที่เจริญไม่ให้เสื่อมถอยไม่ให้ถอยหลังการที่ปฏิบัติธรรมก็มีองค์ประกอบก่อนที่เราจะได้มานั่งสมาธิภาวนาก็มีการให้ทาน ถาวายอาหารพิธาบาีเสร็จสิ้นแล้วก็ได้บริโภคอะกินน้ำสํำลานเมื่อกี้นี้ก็ได้ไดนาธนาศีนได้สมาทานศีนเพื่อประกอบการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการ ฝึกจิตฝึกใจของตัวเองนี่แหละเพราะว่า <c oughs> จิตใจของเราเกิดในพบน้อยพบใหญ่ก็ได้สร้างสมอบรมทั้งสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันมา สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ติดซ้อยห้อยตามสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่พบน้อยพบใหญ่เมื่อพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ได้มาตัดสรุปสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังได้สัะดบับฟังธรรมะคำสอนที่พระองค์ได้ แสดงโปรดเวนยสัตว์ผู้ที่มีกิเลสเบาบางมีความเมตตามหากรุณาใหญ่แต่ละท่านละคนก็ได้ตั้งปณิธานปรารถนาผู้ที่มีความสามารถ ก็เด็ดขาดทนาเป็นพระสมมาสัมพุท ธ, ทธเจ้าในอนาคตส่วนผู้ที่ลองลงมาก็ปรารธนาเป็นสาวกสาวิกาชิงเหล่านี้ก็เกิดจากการได้กินได้ฟังเกิดจากการได้ทัศนาอุตริยะได้เห็นพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อบใส อยากจะประพุท ธ, ธตนให้เป็นศาสดาเอกของโลกเหมือนพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ผ่านไปส่วนที่ปรารธนาสาวกสาวิกาทั้งหลายก็ได้เห็นสาวกสาวิกาที่ได้ปฏิบัติบูชาได้รับเอตทัคคะอย่างโมคลาสาลีบุตรท่านก็ได้ เป็นรับตำแหน่งเป็นสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายหรือว่าพุทธอุปถาคอย่างพานน์ก็ได้ตั้งสัจจญาธิฐานขอให้ขปเจ้าได้เป็นพุทธอุปถาคในพระศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตอย่างนี้ อย่างผู้หญิงก็ขอให้ข้าพเจา้าได้บวชในาศาสนาได้เป็นภิกษุณีได้รับเอตทัคขะตามความปรารถนานั้นๆชิงเหล่านี้ที่ท่านปรารถนาก็เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกสืบต่อไป แม้แต่กระทั่งสมัยปัจจุบันก็มีหลวงปูมั่นหลวงปู่เสาเจ้าคุณุบาลีซึ่งเป็นอุปัาจารย์ที่พวกเราทราบกิติศัพท์กิติคุณของท่านว่าท่านเป็นผู้ได้บรรลุธรรมวิเศษได้ถึงซึ่ง พระอาหันต์ก็ได้เห็นอธิธาต์ประกอบการพิจารณาความเชื่อความเลื่อมใสก็ได้เกิดอัศาจรรย์แก่จิตใจของพวกเราพวกเราจะได้มีจิตศรัทธาความเชื่อมั่นได้มาฝึกฝนอบรมทำสมาธิภาวนา ความมุ่งหมายของการทำสมาธิภาวนานั้นก็เพื่อจะํำรกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่ฝังอยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกคนไม่เลือกชาติชั้นวันนะบางทีมีชาติมีตระกูลสูง มีหน้าที่การงานหน้าที่ตําแหน่งสูงก็ยิ่งลืมเนะื้อลืมตัวก็มีบางที่บางท่านก็มีหน้าที่ตําแหน่งสูงแต่ก็เข้าใจในธรรมในหน้าที่การงาน อ, อันนั้นขึ้นอยู่กับอุปนิสัยที่ได้สร้างสมบมบรมมาเมื่อจิตใจ ได้เข้าใจถึงหน้าที่การงานก็ได้เข้ามาฝึกฝนอบรมการฝึกฝนอบรมนั้นเราจะต้องตั้งใจเข้าใจว่าปัจจุบันเรามาฝึกฝนทำสมาธิ เพื่อจะขัดเกลอาสวะกิเลสที่มีอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเราทุกคนให้มันเบาให้มันบางเพราะฉะนั้นจึงได้เอาทานมาบริจาคแล้วก็สมาทานศีลเพื่อมาครอบเพื่อมากัน มาให้จิตของเราไปสร้างในสิ่งที่ไม่ไมดีไม่งามผู้ปฏิบัติธรรมถ้าขาดศีลแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นได้เราจะต้องมีศีลห้าข้อเป็นอย่างน้อยแล้วก็ประกอบไปด้วยเมตตาธรรม ศีลก็คือรักษากายวาจากายนี่แหละที่ทําให้มันเกิดความวุ่นวายขัดข้องวาจานี่แหละที่ทําให้เกิดความวุ่นวายขัดข้องที่เรามัดปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็เพื่อจะมาปกป้องกายปกป้องวาจารัรกษากายรักษาวาจา ให้มันเรียบร้อยอ่าไม่ให้มันไปประพฤติไม่ให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ให้มันไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเพราะสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจกองไฟอยู่ที่ปากความทุกข์ความยากอยู่ที่ตีนที่มืออ่าสวรรค์อยู่ที่อกอ่าถ้าเรามีศีลห้าแล้วมีศีลแปดแล้ว เราก็จะมีความสุขถ้าไม่มีศีลแล้วเราก็จะไม่มีความสุขมองไปไหนคิดไปไหนก็ไปเจอแต่บาปกรรมที่ตนเองได้กระทำเอาไว้ก็เลยกลายเป็นนรกอยู่ที่ใจว่าจา พูดไพเราะสนทสดพูดมีความสัตย์ความจริงเย้า ว, ว่าพูดเรียบร้อยไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดเล้วไหลเมื่อเรามองดูวาจาของเราเราก็าจะมีความสุขถ้ามองไปวาจาของเราที่มองคืนหลังกับหลัง ไปเออเวลานั่นวันนั่นเราเป็นไงเราพูดจาปาใช้ดีไหมเ็ามองเห็นแต่สิ่งที่ดุด่าว่าเก่าโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนความเสียหายมาถึงตนและบุคคลอื่นอย่างนี้มันก็ไม่ไม่พบแต่ก็พบแต่สิ่งที่เป็นนรก เขามองเห็นบาปอากุศลของตัวเองเพราะฉะนั้นนักปราชญ์พระพุทธเจ้าท่านถึงวางหลักศีลห้าเอาไว้เพื่อเป็นเป็นคอกหรือว่าเป็นกรงหรือว่าเป็นรั้วเพื่อจะใส่อาสวะกิเลสไม่ให้มัน อ, ออกไปเพ่นพลานในกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม กายก็เรียบร้อยเพราะมันอาศัยศีลครอบงามอยู่วาจาก็เรียบร้อยแต่จะให้มันเกิดความดีความงามได้ก็เพราะว่าท่านให้แสวงหาที่สงัดที่ไม่พุกพ่านที่ไม่วุ่นวาย อย่างสถานที่ปัจจุบันที่พวกเราได้มานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์นี่นี่เราก็ได้กายวิเวกกายก็สงบวาจาก็สงบเสียงไม่มีเสียง ด, ด, ดุด่าว่ากล่าวแดกดันสารพัดเข้ามากระทบกระเทือนหู ทำให้จิตใจเดือดร้อนการปฏิบัติธรรมท่านถึงให้สแสวงหาที่วิเวกกายวิเวกสมาธิวิเวกการทำสมาธิก็จะได้สงบวิเวกก็คือความเงียบความสงัดถ้ า, าเรา กำหนดพิจารณาให้จิตมันสงบลงไปได้ก็เรียกว่าสมาธิวิเวกมาได้สมาธิวิเวกแล้วมันก็จะได้มีความสุขจะได้เห็นจะได้รู้ว่าเออเราได้ปฏิบัตินี่ผลของการปฏิบัตินี่มันเป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตัด แสดงแก่เวเนยสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ได้พูดด้วยความสัตย์ความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะอ่าไม่มีความสัตย์ความจริงเพราะฉะนั้นเราพุทธบริษัทท่านทัง้งให้น้อมศรัทธาความเชื่อเสียก่อนอถ้าไม่มีศรัทธาความเชื่อแล้วการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เกิดอ่า ที่นี่ความมุ่งหมายของพวกเราทุกคนแม้แต่ไม่ว่าแต่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายทุกตนทุกตัวทุกพบทุกชาติมีความปรารถนาหาความสุขกันทั้งนั้นไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะปรารถนาเอากองทุกไม่มีในเมื่อ ไม่ปรารถนาเอากองทุกข์แล้วเราก็จะมหาวิธีพิจารณาแก้ไขว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดสุขสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์ก็เพราะอาสวะกิเลสนี่แหละ ที่แผดเผาจิตใจสัตว์โลกทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาหยุดหย่อนแต่ถ้าไม่ใช่ผู้พิจารณาอ่ามันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์แตกินดีก็สบายเพราะว่าเป็นสุขในนอนที่นอนอุดมสมบูรณ์อ่าถูกต้องตาม ความต้องการของตัวเองก็ว่ามีความสุขกิเลสมันผักใสเขาไปให้ไปยึดความสุขอยู่ในอามิตรภายนอกมันให้มันไม่ให้มองเห็นตัวของมันไอตัวตัณหาตัวนี้ความโลภความโกรธความหลงตัณหาความทยานอยาก เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวสมมุตทยแม้แต่ขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาเดี๋ยวมันก็เอาอันนั้นมาใส่เดี๋ยวอันนั้นเข้ามาเดี๋ยวอันนี้ก็มาแต่บางคนก็เข้าใจเออนี่อันนั้นเป็นสัญญา เป็นตัวตันหาเป็นตัวที่หลอกคิดล่อคิตใจของเราไม่ให้มันได้รับความสงบร่มเย็นแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็โอ้นั่งสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิจิตฟุ้งจิตสัานจิตลำคาญจิตไม่สงบครูบาอาจารย์หลวงพวนันท่านว่า มันฟุ้งท่านมันลำคาญท่านบอกว่าอาสวะกิเลสมันร้อนตัวท่านให้เร่งพิจารณาเข้าให้เร่งกำหนดจิตเข้าไปนี่คือมันกำลังร้อนตัวมันแล้วท่านว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ทำเอา พิจารณาเอาถ้าไม่งั้นมันสู้มันไม่ได้เพราะมันฟุ้งมันซ่านมันลำคาญมันเหนื่อยใจไม่อยากนั่งไม่อยากา ท, ำำาทําสมาธิภาวนาตัวตัณหาตัวนี้มันมันไม่มีที่สิ้นที่สุดมันไม่มีเมืองพอ มีเงินมีบาทหนึ่งได้อยากได้สองบาทห้าบาทสิบบาทได้ร้อยบาทพันบาทล้านบาทพันล้านบาทหมื่นล้านไม่มีที่จบที่สิ้นความอยากตัวนี้ท่านถึงอุปมาเหมือนแม่น้ำมหาสมุทร นัตถีตันหาสมานัตถีแม่น้ำ ม, มหาสมุทรท่าไหลายใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะยกมาเทียบเท่ากับกิเลตันหาอาสวะตัวนี้ได้พิจารณาเอาว่ามันจริงหรือเปล่าที่พระพุทธเจ้าได้ตั้งภาษิตเอาไว้ทำยังไงเราถึงจะชำระสัจสางอาสวะกิเลสเหล่านี้ให้มันเบามันวางออกไปได้ เราต้องใช้เวลาใช้สติใช้ปัญญาประคับประคองด้วยทำหน้าที่ของเราด้วยความมีสติอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ออกฝึกฝนตั้งใจอยู่ยกเว้นแต่พังเผอหลงลืมพอนึกได้แล้วก็อ น, น้อมเข้ามาพิจารณาหรือว่ามาดูมาดูสิ่งรีที่เราทำ มันเผลอกดึงกลับเข้ามานี่พอมันออกไปก็ดึงกลับเข้ามากาหนดลงไปที่จิตว่าจิตเราอยู่ที่ไหนดวงใจเราอยู่ที่ไหนหัวใจเราอยู่ที่ไหนเมื่อตัรหามันเกิดขึ้นมาความโกรธ ก็ตามมาความหลงก็ตามมาในสิ่งใดที่มันไม่ได้สมปรารถนาสิ่งนั้นกน็เอาความโกรธเข้ามาใส่อ่าความโกรธความชุนความเฉยียงความโมโหโธโตามเข้ามาพอความโกรธตามเข้ามาแล้วก็ความหลงก็ไม่รู้ว่า ผิดหรือถูกเราดินี่มันก็บังคับเราให้ทำตามความต้องการของมันผลสุดท้ายก็ไปฆ่าเขาตายสิ้นก็ขาดสิ้นก็ทะลุสิ้นก็หมดขนาดเอารั่วล้อมเอาไว้เอากงใส่เอาไว้มันก็สามารถที่จะ ทำลายรว่าทำลายโกงออกไปได้พวกเราก็พอมองเห็นอยู่ว่าแม้แต่ผู้ที่บวชในาศาสนาก็เหมือนกันพอรว่าแตกโกงแตกก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในาศาสน า, สาศาสนาได้อุบาสกอุบาสิกาไปจำศีลบางครั้งบางทีก็ ทำให้สินขาดสิ้นด่างสิ้นพ้อยสิ้นทะลุเพราะอาสวะกิเลสเหล่านี้มันผลักมันดันมันมีกำลังในเมื่อมันมีกำลังมากมันก็สามารถที่จะทำลายเห็นไหมลูกระเบิดเขาไปถังแก๊สมันหนาเท่าไหร่เขามันสามารถที่จะทำให้ถังแก๊สรบิดทำให้คนล้มคนตายได้เพราะ มันมีกำลังมากทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อมันมีกำลังมากมันก็ย่อมทำลายสิ่งต่างๆได้สมปรารถนาลมก็เหมือนกันพวกเราสูบล้อรถชาวลมเข้าไปมากๆมันมากเกินความต้องการเกินความสามารถที่อย่างมันจะบรรจุลมได้ มันก็ทำให้ยางรถระเบิดออกมาได้เพราะฉะนั้นท่านถึงให้มารักษาไม่ให้อารมณ์มันเข้าไปก่อควาจิตใจอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความหลงนี่มันเป็นอารมณ์อารมณ์เหล่านี้ในเมื่อมันมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น ทานข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับผลสุดท้ายก็เสียผู้เสียคนไปก็มีก็เพราะอารมณ์มันผักมันดันจิตใจเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาก็เหมือนกันถ้าไปวิ่งตามกระแสสัญญาอารมณ์มากๆ ก, ก็จะทำให้เสียผู้เสียคนไปได้เพราะไม่ยอม ไม่ยอมเอาหลักการของครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเอาไปใช่สัญญาอารมณ์อันใดที่มันเกิดขึ้นมาเรียกว่าจะเป็นนิมิตก็าตามที่มันเกิดจากสมาธิเดี๋ยวก็ไปเห็นโน่นเห็นนี่ก็ถือว่าเป็นของดีเป็นของวิเศษเป็นผู้รู้เป็นผู้ปฏิบัติแม้บรรลุได้เร็วจังที่ไหนได้ อันนั้นมันเป็นสัญญาอารมณ์มันไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาอัอนนั้นมันเป็นสัญญาสัญญาก็คือสัญญานิจจสัญญาไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานบังคับบัญชามันไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วบางครั้งบางคราว บางท่านบางคนที่มีอุปนิสัยหรือว่ามีอกุศลจิตที่เคยสร้างสมอบรมมาเกี่ยวกับด้านจิตตภาวนาก็อาจจะทำให้เกิดเสียผู้เสียคนขึ้นมาได้เพราะการทำสมาธิที่มันเป็นมันเสียไปในลักษณะนั่นก็เพราะว่า ปฏิบัติไม่ถูกทางครูบาอาจารย์ท่านสอนนี่นาะสัญญาหนาะอย่าไปเชื่อมันหนาะความรู้ความเห็นต่างๆนิมิตต่างๆที่วันนนิมิตตสัญญาใช่ไหมนิมิตต์สัญญาสัญญามันเที่ยงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสมัยท่านแสดงธรรมจักถามสาวกทั้งหลายสัญญาณิจา่าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ สัญญาทุกขาสัญญาเป็นทุกคือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสัญญามันไม่ใช่ของดีสัญญาตัวนั้นท่านบอกว่ามันเป็นอนิจจาเป็นของไม่เที่ยงเราจะต้องเข้าใจการปฏิบัติจิตตภาวนาอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องอนิจจาไว้ก่อน อ่าถึงจิตเราสงบลงไปแล้วไปเห็นนอดเห็นนี่ก็พยายามบังคับอย่าให้มันไปค่อยตามเห็นตามให้เรารู้ว่านี่จิตของเราออกไปสู่อารมณ์ภายนอกแล้วเราจะต้องดึงจิตกลับเข้ามาสูสมาธิอ่าดึงจิตเข้ามาเพิอแป๊บนั่นออกไปแล้ว เห็นแล้วอยู่ข้างหน้านอนอยู่ด้านข้างแล้วก็นี้จิตเราออกไปสู่ภายนอกแล้วนั่นมันไม่ใช่แล้วมันเป็นสัญญาแล้วเป็นสังขารแล้วเป็นตัวพุงตัวแต่งแล้วไม่ใช่ดึงจิตเข้ามาขับเข้ามาเขาเข้าไปตั้งอยู่ที่จิตอีกเขาพยายามชักไปชักมาชักไปชักมาจนกว่ามันจะไม่ออกไป จนกว่ามันจะเข้ามาตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นบาเนี่ยพอเราดึงมันได้แล้วใชส้ชสติใช้สัมมชัญญะตามลุกไม่ให้มันพังมันเผอจนกว่ามันจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจิตเป็นเอตขะคาตาล ม, มัน เดี๋ยวจะจิตเหลือแต่ความรู้ล้วนๆทำไปไม่หยุดไม่ถอยอย า, า, ากนี้ได้จะให้ทำยังไงอีกทำเหมือนเดิมมันจะก้าวเข้าไปเรื่อยๆของมันโดยที่ว่าไม่มีคูบาจารย์ไหนที่จะไปต้องทำเข้าไปแบบนั้นต้องํำเข้าไปแบบนั้นมันอ น, นั้นมันไม่ใช่ อย่าไปถามให้มันเป็นมันไม่ใช่การถามการชักนั่นก็คือเปิดทางให้สังขารมันปรุงมันแต่งมันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่รู้เองเห็นเองจิตเข้าไปตรงไหนเข้าไปตรงไหนอันนั่นเป็นหน้าที่ของตัวเป็นปัด จ, จัดตังจำพาะจิตของใครของมันจะรู้เองเห็นเอง ไม่ใช่ว่าเราจะไปถามเอาว่าโอ้จะทำแบบนั้นทำแบบนี้ถูกไหมผิดไหมถ้าจิตเราอยู่ในกายนี่ถูกทั้งนั้นถ้าออกจากนอกกายแนละ้วผิดทั้งนั้นการทำสมาธิแต่บางท่านบางองค์บางคนก็ท่านก็ไป เล่นอยู่ในชานบ้างแต่จะต้องมีสติต้องดูอยากจะดูก็ดูได้ดูไปดูไปพอสมควรก็ขับเข้ามาถือว่าอันนั้นเป็นของเล่นเฉยๆเป็นสัญญาเฉยๆแต่ถ้าผู้ที่มีสติปัญญาทำได้มันก็จะเป็นเกิดประโยชน์ในเมื่ อ, อมีเพื่อนพิสูจที่ มีกิริยาอาการเหมือนลักษณะนั้นเขาจะได้ให้ความรู้ความฉลาดให้ความเข้าใจได้พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปหลายนาทีเข้าทุกขเวทนามันก็จะเกิดขึ้นทีนี้พอทุกขเวทนามันเกิดขึ้นนี่แหละเป็นคู่ พูดต่อสู้ที่ดีที่สุดเี้ใครเหนียวคนนั่นก็ชนะถ้าไม่เหนียวกำลังไม่พอก็แพ้ทุกขเวทนากับความกล้ามันจะต้องต่อสู้กันทุกขเวทนามันเกิดขึ้นอา้าว เอาไปไว้ที่ไหนมันก็ทุกมันบีบขั้นเข้ามาที่จิตอ้าวทุกที่แข้งทุกที่ขาทุกที่ข้อเข่าทุกที่เอวทุกที่ต้นคอนี่เลยว่าทุกกุ้มลมเจ้าจิตไปไว้ตรงไหน ท่านให้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาสอบถามตัวเองอันไหนเราทุกข์นี่เดี๋ยเป็นเราเราเป็นทุกข์หรือกายเป็นทุกข์หรือจิตเป็นทุกข์หรือถามไปถามมาต่อสู้กันไปจนจิตมันยอมรับเพราะจิตมันยอมรับสภาพ สภาวะความเป็นจริงทุกมันก็จะเป็นทุกมันก็จะเห็นทุกมันก็จะรู้ทุกว่าทุกไม่ใช่เราทุกไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ทุกก็จะเข้าใจจะยอมรับธรรมะที่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดง บอกกล่าวเอาไว้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแม้แต่อัตภาพร่างกายทุกส่วนก็ไม่ใช่ของเราอันนี้มันเป็นเฉพาะเรือนร่างเฉยๆที่จิตวิญญาณของเรามาอาศัยเพื่อสร้างสร้างบาปสร้างบุญ อัตภาพร่างกายอันนี้อ่ถ้าผู้มีบุญผู้มีนิสัยก็เอาอัตภาพร่างกายนี้มาทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบา ร, รมีอ่าเพื่อให้มันแก่แก่ให้มันกล้าอเพื่อให้มันอาชะวะกิเลสให้มันเหือดแห้งไม่ใช่ว่า มาใส่อัตภาพนี่แหละสร้างความไม่ดีไม่งามสร้างทิฏฐิมานะความถือตันตนถือตัวเอมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเรามาฝึกฝนเพื่อสําลอกอาสวักิเลสเหล่านี้ให้มันอบกพ่องให้มันเหือดให้มันแห้งให้มันหายไปให้มันสิ้นไปสิ้นซากไปจากอ่ดวงจิตดวงใจของพวกเรา เมื่อมันชิ้นรากไปแล้วเราก็จะมีความสุขถ้ายหนมันยังไม่ชิ้นไปตราบใดเราก็ยังจะทุกข์อยู่ตราบนั่นในภพน้อยภพใหญ่อำนาจบุญคุศลก็บรโล น, นบรรดาลให้ไปเกิดบนสวรรค์บ้างเกิดบนสวรรค์แล้วก็ไปลืมเนื้อลืมตัวก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ พอมาหลงมาลืมอีกก็สร้างบาปสร้างอากุศลพอลงไปตกนรกไปเห็นโทษในนรกก็กลับขึ้นมาหมดกรรมหมดเวนก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญกุศลผัดเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่งั้นไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นที่พวกเราได้พึ่งปฏิบัตินี่นี่คือหนทางที่จะก้าวออกจากกองทุกข อ่าอย่างน้อยก็ได้มนุษย์สมบัติล่ะอย่างกลางก็ได้สวรรค์สมบัติอย่างสูงก็ได้อมตะโลกหนิพพานไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งในหลายอสุภัยศาตรก็ไม่ชาบดูเอาของใครของมันใครจะอยู่กี่อสุภัยแต่ทุกคนก็ปรารถนาว่า ขอให้ไปในชาตินี้เถิดขอให้สิ้นไปในชาตินี้เถิดแต่มันเป็นไม่เป็นไปตามป่าธนามันจะเป็นไปได้ก ข, ข้อปฏิบัติของเรานั้นมันมีเหตุมีผลเต็มตัว